เมื่อสักสองสาวันมีพระบิบีบาทเจ้าค่ะแล้วก็เป็นหลวงตาแกก็เหมือนจะเป็นลมโซเศซจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหนูตอนหนูกลัวว่าถ้ามีคราวต่อไปจะทำยังไงคือบั ง, งเอิญหนูก็ไม่กล้าไปรับพระพระท่านกำลังเซเป็นหลวงตาแก่แก หนูก็ใช้เสียงตะโกนให้เด็กที่อยู่ห่างๆแ้วเจ้าค่ะวิ่งมารับเจ้าค่ะ mm hmm. หนูอยากทราบว่าหนูไม่ใช่หมอไม่ใช่ชพาพยาบาลถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้หนูสามารถที่จะรับผะได้หลงตาได้ไหมเจ้าคะถ้าเป็นลมอ่ะคือถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุที่จําเป็นจริงๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตอะไรนี้ก็ก็ทําได้งแต่ว่าถ้าเป็นปกติมัน โดยโดยปกติเพศตรงกันข้ามไม่ควรที่จะไปแตะแตะเนื้อต้องตัวกันผู้หญิงไม่ควรที่จะไปจับเนื้อต้องตัวผ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการช่วยเหลือชีวิตอย่างนี้ก็อาจจะเช่นกรณีถ้าท่านตกน้ําแล้วจะจมน้ำอย่างนี้ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วเราว่ายน้ําเป็นเราก็กระโดดน้ําลงไปช่วยท่านนี้อย่างนี้ก็ มันมันมันถึงแมาจะแตะเนื้อต้องตัวกันมันก็เป็นกรณีที่จาเป็นนะครับแล้วสิ่งที่หนูเอายาหมองยาทาแต่เป็นสิ่งที่ใช้แล้วอ่ะไปส่งให้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะสิ่งที่ใช้แล้วนะจำเป็นจะต้องใช้ในเวลานั้นไม่ถ้าไม่ใช่ต้องไปหาของใหม่ ม, ม่ใช่ะหนูเสียไม่ทันการ ไม่เป็นไรเช่ไหมพ่อหนูไ ม, น ไ, ไม่ได้ตั้งใจให้ให้แกรอดตอนชั่วโมงนั้นของใช้นี่ใช้แทนใช้ได้ไม่เป็นไรถ้าในกรณีที่ฉุกเฉินเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทา อ, อันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นปกติเราก็มักจะเวลาจะให้ของใครเราก็มักจะให้ของใหม่<ช>ของที่เราไม่ใช้ตอนตอนนั้นหนูตกใจอุ้ยตายแล้วไปเอายามองที่ฟักติดขอโทษก็ทาขาทาอไรอ่าไม่เป็นไรสํา ถ้ามันเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินเป็นเรื่องที่จาเป็นจะต้องทำในทันทีทันใดก็ใช่ได้ใช่ได้มีฟาร์มเดิมเจ้าข่าว่ามีคนฝาก ท, าที่ที่เขาฟังหนูที่ว่าให้ลูกสวดมนต์โดยการให้ให้สตังลูกเป็นตอบแทนเขาฝากถามพระอาจารย์ว่าแล้วอย่างแล้วได้บุญไม่เจ้าคะลูกชายก็ถ้าเขาทำ เขาก็สวดมนต์มันก็ทําให้เขามีสติขึ้นมาถ้าเขาสวดแบบ ท, ที่ถูกหลักคือสวดตางให้บทอยู่กับบทสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติให้กับเขาไปเขาก็ได้สติสติก็เป็นบุญอย่างหนึ่งถึงไม้ว่าจะได้เงินไอเงินนี่ก็อาจจะเป็นเครื่องล่อเครื่องล่อใจเครื่องล่อใจให้เขาอทํา ถ้าเราไม่มีอะไรล่รอใจเขาก็อาจจะไม่ทําแต่เราไม่ควรที่จะทําเป็นอาจินหมายความว่าทําไปจนพอเขารู้ผลของการกระทําว่าดีไม่ดีอย่างไรแล้วก็เขาควรที่จะทําเองได้เพราเจ้าค่ะหนูตั้งให้เขาสารเดือนเจ้าค่ะบางทีก็ต้องมีอะไรล่รอใจเด็กเด็กไม่รู้ ว่าทำอะไรเราจะได้อะไรก็เลยให้เขามีได้อะไรได้รางวัลแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะให้ไปตลอดควรที่จะให้เขาได้สัมผัสกับการสวดมนต์เมื่อเขาสวดเป็นแล้วที่เราก็ไม่ต้องให้เขาเขาจะสวดไม่สวดก็ต้องเป็นความพอใจของเขาความยินดีของเขาอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นเหมือนกับการดึงให้เขาเข้ามาฝึกฝนอบรมจิตใจอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดว่าจิตใจของปุตุชนอย่างพวกเรานี้เป็นจิตใจที่ยังเป็นเหมือนสัตว์ป่าอยู่ยังเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้มีแต่จะทำโทษทำเรื่องสร้างปัญหาต่างๆให้กับเราโดยตลอด แต่ถ้าเราได้เอาจิตใจนี้มาฝึกฝนอบรมแล้วจิตใจถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วจะนำความสุขนำประโยชน์มาให้เปลี่ยนจากจิตของปุถุชนไปเป็นจิตของพระอริยะพระอริยะนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนอบรมทำให้มีมีแต่ความสุขความเจริญ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติให้พวกเรากระทำกันนี่ก็เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้อยู่ในธรรมนองครองธรรมอยู่ในกรอบของความดีงามที่จะนำความสุขและประโยชน์ให้แก่จิตใจถ้าไม่มีการฝึกฝนอบรมจิตใจก็จะ ไปในทางที่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจการที่เรามาวัดนี้ก็เพื่อที่จะเข้ามาฝึกฝนอบรมจิตใจกันการจะฝึกฝนอบรมจิตใจได้อย่างถูกต้องเราก็ต้องรู้จากวิธีว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างก็เลยต้องศึกษาก่อน ต้องศึกษาต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างที่จะทำให้จิตใจของเรานีา้มีความสุขมีความเจริญปราศจากความทุกข์ปราศจากาภัยอันตรายต่างๆ อ, าอันนี้ก็ต้องศึกษาศึกษาจากผู้รู้ผู้รู้ผู้ที่รู้จัก อบรมจิตใจผู้ที่อบรมจิตใจได้อย่างดีเลิศก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของพระองค์เองจนกลายเป็นจิตใจที่มีแต่คุณไม่มีโทษมีแต่สุขไม่มีทุกข์หลังจากนั้นพระองค์ก็ท่ง สั่งสอนผู้อื่นผู้ที่ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมก็กลายเป็นพระอารยบุคคลเป็นพระสาวกขึ้นมาเป็นผู้ได้รับการอบรมจิตใจได้ดีเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นจิตใจที่มีแต่คุณไม่มีโทษมีแต่สุขไม่มีทุกข์สิ่งที่พพุทธเจ้าสอน นั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับคุณได้รับประโยชน์เราต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็มีสามแหล่งนี่พระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนแล้วก็พระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าพวกเราก็ทราบแล้วว่าท่านไม่อยู่กับพวกเราแล้วก็เหลือแต่พระธรรมกับพระอริยสง์ พระธรรมนี้ก็เป็นคาสอนที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระอภมปีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะเรียนรู้วิธีอบรมจิตใจพัฒนาจิตใจ ให้เป็นจิตใจที่มีแต่คุณไม่มีโทษมีแต่สุขไม่มีทุกข์เราก็สามารถศึกษาได้จากพระไตรปิฎกนอกจากพระไตรปิฎกแล้วเราก็มีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกฝนอบรมที่ได้ศึกษาและได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนจนเป็นจิตใจที่มีแต่คุณไม่มีโทษ มีแต่สุขไม่มีทุกข์นี่ก็คือบุคคลที่เราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อรับความรู้ในวิธีการที่จะมาอบรมจิตใจของพวกเราให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องศึกษาศึกษาจากพระ ทำคาสอนอการศึกษาจากพระธรรมคำสอนพองคุทธเจ้านี้มันจะเป็นความสอนที่ถูกต้องอถ้าศึกษาจากที่อื่นนี้อาจจะไม่แน่ชัดว่าเป็นคาสอนที่ถูกต้องหรือไม่เพรา ะ, ะบุคคลที่มาทำเป็นครูเป็นอาจารย์นี้ก็ยังไม่รู้ว่า จะเป็นครูอาจารย์ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองได้ดีแล้วหรื อ, อยังหรือบางทียังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจแล้วก็เอามาสั่งเอามาสอนอันนี้ก็จะอาจจะสอนผิดสอนถูกก็ได้เห็นสิ่งแรกที่ถ้าเราทำได้ก็คือศึกษาจากแหล่ง ที่เป็นของพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าหรือศึกษาพระพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกซึ่งสมัยนี้เราก็ไม่ต้องศึกษาทั้งคำภีมีการคัดลอกเอาบทสำคัญสำคัญออกมาให้เราได้ศึกษาได้รู้กันพราะ การฝึกฝนอบรมจิตใจความจริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนอะไรโดยสรุปง่ายๆก็มีอยู่การมีอยู่สามสามสี่ข้อเท่านั้นเองที่เราต้องฝึกฝนอบรมกันเช่นสอนให้เราทำทานสอนให้เรารักษาสีสอนให้เราภาวนานี่ก็ถ้าเรารู้เพียงแค่นี้เราก็ ได้ความรู้พอเพียงต่อการนำมาไปอบรมจิตใจของเราแล้วแต่อาจจะต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพราะคาว่าทานคำเดียวอาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะต้องมีการขยายความว่าทานมีอะไรบ้างทำอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการทำทานศรลมีอะไรบ้าง ว่ามีศีลหลายระดับศีลห้าก็มีศีลแดก็มีศีลสิบก็มีศีลสองร้ก็มีอันนี้ก็ต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปควบคู่กันไปไม่ต้องศึกษาอย่างเดียวก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติกวนจะศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพราะมันจะทําให้เรา มีความเข้าใจที่ดีขึ้นถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติมันยังไม่ยังไม่รู้ว่าทำแล้วจะได้อะไรแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเรานำมาไปปฏิบัติเราก็จะได้รู้แลวเราก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปว่าเราทำตรงนี้แล้วต่อไปเราต้องทำอะไรเพิ่มเติม นี่คือขั้นแรกก็คือเราต้องศึกษากันศึกษาจากหนังสือธรรมะที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกศึกษาหนังสือของพระอริยสงฆ์สาวกพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วเป็นผู้ที่รู้จักวิธีอบรมจิตใจแล้วท่านก็เอามาสั่งมาสอน แล้วก็มีการบันทึกแล้วก็มีการนำเอามาพิมพ์เป็นหนังสือแจกให้อ่านกันอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่ที่ควรที่พึงกระทาได้ขอให้ศึกษากับผู้รู้ผู้รู้จริงเห็นจริงเพื่อจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าศึกษาจากผู้ที่ ศึกษาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัินี้ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากการปฏิบัติเวลาเอามาสอนอาจจะสอนแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ <Yeah. S 1> เพราะเวลาศึกษาแล้วอาจจะมีความเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเอาความเข้าใจนั้นมาสอนซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ ควรจะศึกษาจากผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติและได้บรรลุผลแล้วถึงจะได้ความรู้ที่แน่นอนกว่าชัดเจงกว่าโดยสรุปก็คือเราต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องทําสิ่งที่เราได้ศึกษาวิธีกัดเก่าจิตใจ โอตจาก็สอนว่าถ้าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เรายังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ให้รู้จักใช้เงินใช้ทองที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับจิตใจที่ไม่เกิดโทษกับจิตใจการใช้เงินนี้ใช้ที่ใช้ไปแล้วทําให้เกิดคุณก็ได้ทําให้เกิดโทษกับจิตใจก็ได้การใช้เงินทอง ที่ไม่เกิดโทษกับจิตใจเป็นอย่างไรก็ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเช่นเรามีร่างกายที่เราต้องเลี้ยงดูเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขเพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายในการที่เราจะมาอบรมจิตใจของเราต้องมีร่างกายไว้ศึกษาพระธรรมคำสอนมีร่างกายร่างกายไว้ไปปฏิบัติ เราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้อดอยากขาดแขนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเรามีเงินทองเราก็ใช้เงินไว้สําหรับการเลี้ยงดูร่างกายอันนี้ก็เป็นประโยชน์ถ้าเรายังมีเงินเหลือแล้วเรายังมีความอยากอยู่อยากใช้เงินไปในทางอื่นเช่นอยาก เห็นของที่เราชอบแล้วอยากได้แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะที่จะต้องมีไม่ไมมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อถ้าเราไปซื้อของตามความอยากได้ของเรามันทำให้เกิดโทษกับจิตใจได้เพราะการกระทำตามความอยากนี้จะทำให้ความอยากนี้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเราอยากได้สิ่งนี้พอเราซื้อมา เดี๋ยวเราก็เห็นสิ่งใหม่เราก็อยากได้อีกเราก็อยากจะซื้ออีกถ้าเราไปซื้อด้วยความอยากมันก็จะทําให้เราติดเราก็จะใช้เงินมากเพราะของที่เราซื้อมันไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแต่เห็นแล้วอยากได้ก็ก็ซื้อมาพอเวลาเห็นเราอยากได้ถ้าไม่ได้ซื้อแล้วมันจะทําให้ใจไม่สบาย เกิดโทษกับใจตรงนี้เวลาที่เกิดความอยากซื้ออยากใช้เงินตามความอยากแล้วไม่ได้ใช้มันก็จะทำให้ใจทุกข์ใจไม่สบายมันก็เลยทำให้เราต้องไปใช้เงินเพื่อไปซื้อหรือไปใช้อะไรตามความอยากเพราะตอนที่เราได้ใช้ตอนนั้นมันทำให้ใจเรามีความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราว เดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจใหม่ขึ้นมาอีกเราก็ต้องไปซื้ออีกไปใช้อีกแล้วมันก็จะทำให้เราต้องไปหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆแล้วการหาเงินบางทีก็ไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าหาหาโดยวิธีที่สุดจลิต ไม่ได้บางทีก็อาจจะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตไปทําบาปหรือไปทําผิดกฎหมายมันก็จะมาทําให้ใจเราเดือดร้อนอีกทำผิดกฎหมายก็ถ้าถูกจับก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางถ้าทําบาปก็ทําให้ใจเราไม่ไ ม, ไม่สบายเวลาเราทําบาปนี้ใจเราจะมีความรู้สึกไม่สบาย ดัง้วิธีใช้เงินแบบนี้เราไม่ควรใช้ถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินที่เรามีมเหลือจากการที่เราใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือเลี้ยงดูร่างกายของเราเราอยากจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานนี่คำว่าทานอยู่ตรงนี้การทำทานก็สําหรับเอามาแก้การใช้เงินที่ จะเอาไปทำให้เกิดโทษแก่จิตใจเช่นถ้าทุกครั้งเราเวลาเรามีเงินแล้วเราอยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะเราชอบเราอยากได้เราบอกอย่าทอย่าซื้อดีกว่าซื้อแล้วมันทำให้เราต้องซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อมาใหม่ๆซื้อมาก็ดีใจตอนได้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็กลายเป็นของชินชาไปก็ อยากจะซื้อของใหม่มาอีกเพราะของเก่าที่ซื้อมามันเก่าไปแล้วมันไม่ได้ทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขกับมันแล้วแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อของที่ไม่จำเป็นนี้เอามาทำบุญทำทานแทนเอามาช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญนี้เราสามารถเลือกทำได้ทำใน แบบวิธีที่ทําให้เราเกิดความสุขใจวิธีไหนที่ทําแล้วไม่รู้สึกสุขใจก็ไม่ต้องทำํำเอาวิธีที่ทําแล้วเรารู้มีความสุขใจเช่นถ้าเราเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยากแล้วเราช่วยเหลือเขาแล้วให้เขามีความสุขแล้วเรามีความสุขเกิดจากการช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือเขาก็ได้อย่างนี้ก็เป็นการทําทานอย่าง เพราะบางทีเวลาเราไปบริจาคเงินใส่ตู้บริจาคในวันนี้เราไม่รู้ว่าเงินทองนี้จะไปทำอะไรเราก็อาจจะไม่รู้สึกมีความสุขจากการที่เราได้ทำแต่ถ้าเรามีศรัทธาเรารู้ว่าเงินทองที่เราถวายวัดก็เพื่อเอาไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปสร้างวัดสร้างวาสร้างที่อยู่อาสายให้พระสงองค์เจ้า เพื่อท่านจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่ต่อไปท่านจะได้มาเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราถ้าเรารู้ถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากการเสียสละของเราเราก็จะมีความสุขได้นี่วิธีทําบุญเราต้องรู้ว่าทาแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไร พราะถ้าเรารู้ว่าทําแล้วเกิดประโยชน์มันจะทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาและการทําบุญแบบนี้มันจะทําให้เร า, เ, าเลิกซื้อของตามความอยากต่างๆได้ถ้าเราไม่ไปซื้อของตามความอยากต่อไปความอยากซื้อของต่างๆก็จะหายไปมันจะหมดไปความอยากนี้จะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ไปทําตามความอยากทุกครั้งเราเห็นของ สวยๆงามๆของที่เราชอบของที่เราอยากได้แต่เราดูแล้วว่ามันไม่จําเป็นไม่ซื้อมาเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรอย่าซื้อดีกว่าเพราะซื้อแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนเพราะซื้อแล้วมันจะติดเดี๋ยวจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่มีเงินซื้อมันก็จะเดือดร้อนนี่อ น, นี่คือหลักของการทําทานถ้าเรายังใช้เงินไปตับกับความอยากอยู่ กับความอยากต่างๆอยู่เราควรที่จะหยุดใช้เงินแบบนี้เพราะมันจะอยากไม่มีวันจบแล้วมันจะอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เรานี้ต้องไปเดือดร้อนกับการหาเงินหาทองแบบไม่มีวันไม่มีวันสิ้นสุดหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้หมดใช้แล้วก็ต้องไปหาใหม่ เราก็จะดันเราก็จะไม่สามารถที่จะมาทําการอบรมจิตใ จ, จของเราในระดับที่สูงขึ้นได้เราจะไม่สามารถรักษาศีลได้เราจะไม่สามารถทําทานได้ทําบุญได้เพรเงินทองที่เรามีเราจะเอาไปใช้ตามความอยากเสหมดเพราะโดยไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะเอาเงินทองมาทําบุญใจเราก็เลยจะไม่มีความสุข ใจเราก็จะมีแต่ความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วก็อาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปทำผิดเพราะถ้าเราไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ทำบาปแล้วไม่ได้มามากหรือไม่ไม่พอต่อความต้องการมันก็จะทำให้เราต้องไปทำบาปกันถ้าทำบาปก็แสดงว่าทำให้ใจเรานี้ไปสร้างโทษแล้วไปสร้างโทษให้กับตนเองและกับผู้อื่น เวลาทำบาปนี้ทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็ทําให้เราไม่สบายใจอันนี้เกิดจากการที่เราใช้เงินไปตามความอยากถ้าใช้ไปแล้วมันจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะต้องไม่พอใช้แล้วเวลาหามาโดยวิธีไม่ได้ทำบาปไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปทำบาป ก, กันแม้เราได้มียินข่าวอยู่กันทุกวันในหน้าหนังสือพิมพ์ เรื่องของการทำบาปกันการโกงกานหาเงินกันใช่ไลอตเตอรี่สามสิบล้านนี่มันยังไม่จบนะใช่ไหมแลนี้ก็มีการไปคอร์รัปชันเอาเงินที่เขาจะไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนแก่คนชราก็ไปยักยอกเงินเหล่านี้เพราะพวกนี้ใช้เงินเยอะเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยกัน อยู่แบบฟุ่มเฟวอยอยู่แบบหรู้หลากันมันก็ต้องใช้เงินมากเงินทองที่ได้จากเงินเดือนก็ไม่พอใช้แต่มีตำแหน่งที่สามารถที่จะยักย่อกเงินได้ก็เลยอดที่จะยักยอ่อกไม่ได้พอยักยอกไปยักยอก ม, มาข่าวมันบานออกมาก็ถูกจับถูกสอบสวนเดี๋ยวก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางถูกปลดออกจากงาน สร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความวุ่นวายให้กับตนเองและกับผู้อื่นเพราะไม่เห็นโทษของการทําตามความอยากความอยากนี่คือกิเลสตัณหาตัวที่จะมาทําให้ใจของเหล่านี้ทําสิ่งที่เป็นโทษกับตนเองและกับโทษกับผู้อื่นเราต้องพยายามกําจัดมันอย่าไปส่งเสริมมันต้องคอยห้ามมัน หยุดมันอย่าไปทำตามมันวิธีที่จะทำให้มันหายหรือมันตายไปนี้ก็ต้องคือต้องไม่ทำตามมันถ้าตามตามมันก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมานี่คือความหมายของการทำทานําทำทานนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปหาเงินมาเพื่อมาทำทานอันนี้ ไม่ใช่เป็นวิธีทำทานที่ถูกต้องให้เราทำทานเพื่อที่จะกำจัดการใช้เงินตามความอยากต่างๆที่เราต้องหาเงินเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไหมเราต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่มหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเราก็ต้องไปทำงานกันเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกาย แต่บางทีเราหาได้มากกว่าที่เราต้องใช้เรามีเงินเหลือก็จะเกิดมีกิเลตขึ้นมาได้ใน เ, เงินเหลือเนี่ยเอาไปใช้อะไรดีไปเที่ยวดีไหมไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ดีไหมซื้ออนน้นู่นไอ้นี่อันนี้ไอ้ตอนนี้ที่เราจะต้องระวังถ้าเราหาเงินมาพอกับค่าใช้จ่าย ไม่มีเหลือก็ปลอดภัยไปก็ไม่ต้องทําทานไม่ต้องทําบุญก็ได้ถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะทําบุญก็ไม่ต้องทําบุญไม่ใช่ว่าพอเขาสอนว่าต้องทําบุญแล้วเราไม่อยู่ในฐานะที่จะทําบุญได้ก็ต้องพยายามไปหาเงินเพื่อที่จะเอามาทําบุญอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นการการทาทานที่ถูกต้องการทาทานก็ทากับ เงินทองที่เรามีเกินที่เราจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นแล้วจะเอาไปใช้กับความอยากใช้กับกิเลสตัณหาอันนี้เราต้องหยุดมันมก็ทำได้สองอย่างอย่าไปใช้ตามความอยากเก็บไว้สำรองไว้สำหรับวันข้างหน้าเผื่อเราอดอยากขาดแคลนตกทุกได้ยากเราก็จะมีเงินสารองเอามาใช้ได้ หรือถ้ามันเก็บไว้แล้วมันมันทำให้มือไม้สั่นใจสั่นเพราะมันยังอยากจะใช้อยู่ก็เอาไปทําบุญซะมันจะได้หมดไปจะได้ไม่มีเงินไปใช้ตามที่เราอยากใช้อันนี้คือเรื่องของการทําบุญทําทานไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินเราหาเงินได้เพียงแต่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ไม่มีเงินทําบุญแต่เขาบอกทาบุญแล้วจะได้ จะจะได้จะได้ความสุขได้ความเจริญก็เลยต้องไปดิ้นรนทํทำงานเพิ่มเพื่อที่จะหาเงินมาแล้วดีไม่ดีถ้าอยากมากๆเดี๋ยวก็อาจจะไปหาเงินแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องอีกก็ได้อาจจะไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เงินมาเพื่อเอาเงินนี้มาทำบุญแต่ น, นี้ก็ไม่ควรทำเพราะว่ามันมันไปทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาทำด้วยทด้วยกิเลสก็ไม่ถูกอีก อยากทำแต่ทำแบบที่มันมันเกินฐานะของเรานี้ก็ไม่ควรทำทำตามฐานะของเราถ้าเรามีเราก็ทำถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องทำเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปทำตามความอยากเราก็ไม่ต้องแก้ปัญหาแล้วเราก็มาทา เราก็มารักษาศีลได้เพราะว่าเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะไปหาเงินหรือใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปทำหาเงินแบบวิธีต้องทำบาปกันเราก็สามารถทำอามชีพที่สุดจริตไม่ทำบาปได้เราก็ทำให้เรารักษาศีลได้รักษาศีลห้าได้หรือคนที่มีเงินแล้วเอาเงินไปทำบุญเงินที่เหลือ แล้วเอาไปทาบุญแทนที่จะเอาไปใช้ตามความอยากมันก็จะทำให้เขามีความสุขใจอิ่มใจและมีความเมตตาต่อผู้อื่นมันก็จะทำให้เขารักษาศีลได้เหมือนกันคนที่ทำบุญจะไม่ชอบทำบาปถ้าทำบุญไม่เรื่อจใจจะมีความเมตตากรุณา เวลาจะทําอะไรก็จะคิดอย่างรอบครอบก่อนว่าทําแล้วทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าเบียดเบียนเขาหรือเปล่ า, าก็จะไม่ทําเวลาไปทําอะไรแล้วถ้าไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายก็จะไม่ทำํำก็จะทําให้รักษาศีนง่ายาคนทําบุญคนคนที่ทําบุญนี้จะเป็นคนใจบุญจะไม่ชอบทําบาปนั่นเองก็จะสามารถรักษาศีล การรักษาศีลได้ก็จะควบคุมจิตใจให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามได้ถ้าเรารักษาศีลพอเกิดความอยากจะไปทำผิดศีลเราก็บอกว่ า, าทำไม่ได้ไม่กล้าทำกลัวบาปอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่มันเป็นขั้นเป็นสนับสนุนกันไปนะ ทำทานก่อนแล้วก็รักษาทำทานได้ก็จะรักษาศีลได้ <c oughs> ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ต่อไปเราก็เพิ่มเป็นศีลแปดได้ทำไมต้องรักษาศีลแปดทำไมรักษาศีลห้าไม่อย่างเดียวไม่พอเพราะศีลห้านี้ก็อบรมจิตใจได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ดีเท่ากับศีลแปด ศีลแปนี้จะอบรมจิตใจให้นิ่งให้สงบได้มากกว่าศีลห้าศีลห้าก็ยังสามารถปล่อยให้ใจไปทำอะไรตามความอยากได้หลายอย่างเช่นอยากนอนกับแฟนก็ยังไปนอนกับแฟนได้อยากกินอาหารกี่มือ้อกี่เวลาก็ยังกินได้แต่ถ้าถือศีลแปนี้ก็จะทำไม่ได้อยากจะนอนหลับกับแฟนก็นอนไม่ได้ อยากจะกินอาหารตามความอยากก็กินไม่ได้กินได้ก็เฉพาะแค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ให้กินผิวอยากจะกินก็ไม่ให้กินตามจริงร่างกายกินมื้อเดียวก็พอแล้ววันหนึ่งกินก่อนเที่ยงวันนี้ก็เหลือเฟือแล้วที่กินกันบ่อยๆนี้ไม่ใช่เพราะร่างกายต้องการจะกินแต่ความอยากมันอยากจะกินมันเลยทาให้ร่างกายนี้มีน้าหนักเกินกันทุกคน เพรากินมากเกินไปไม่ได้กินเพื่อร่างกายกินเพื่อความอยากพอเวลาเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้กินมันไม่สบายใจพอได้กินมันก็สบายใจแต่สบายใจเดี๋ยวเดียวกินไปไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวอยากกินอีกแล้วเดี๋ยวอยากกินนั่นต่อกินไี่นี่ต่อมันก็จะกินอยู่เรื่อยเลยคิดว่าการทําตามความอยากนี้เป็นความสุขแต่หารู้ไหมว่า การทำตามความอยากนี้มันทำให้เราอยากอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าเวลาอยากแล้วไม่ได้กินก็ทุกข์ลวหรือถ้ากินไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายมันมีน้ำหนักเกินมันก็จะทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บกับร่างกายได้ต่อไปหมอก็ต้องมาสั่งห้ามกินพอถูกห้ามกินพออยากจะกินไม่ได้กินมันก็ทุกข์อีก เราต้องมาหัดควบคุมความอยากกันไว้เสียแต่ตอนนี้ดีกว่าอยากไปอยากให้มันกินมากเกินไปอยากทำอะไรตามความอยากมากเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นโทษมากกัเป็นสุขเพราะความอยากมันไม่มีวันหมดถ้าเราลองทำตามมาแล้วแล้วเมื่อมันถูกถูกสกัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมันก็จะทำให้เราทุกข์กัน เวลาอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากนี่ใจเราจะไม่สบายกันแต่ถ้าเรามายอมยอมไม่สบายใจด้วยการบังคับไม่ให้มันทำตามความอยากกันต่อไปความอยากมันก็จะถูกถูกถูกเขาเรียกอะไรถูกลดจำนวนลงนะทำให้ความอยากเบาบางลงไปน้อยลงไปแล้วมันก็จะมาไม่ไม่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับเรามาก กนนไปการถือศีลแปดนี้ก็เพื่อที่จะควบคุมความอยากให้มากให้มากกว่าศีลห้าศีลห้าก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งเช่นศีลข้อสามอย่างน้อยก็ควบคุมให้อยากจะร่วมหลับนอนก็ให้หลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาไม่ให้ไปหลับนอนกับใครก็ไม่รู้เจอใครที่ไหนชอบเขาอยากจะนอนกับเขาก็ไปนอนกับเขา อย่างที่เขาทําอยู่แถวพัทยาใต้อยากจะหลับนอนกับใครก็ลองเดินไปแถวนั่นดูเดี๋ยวก็ได้หลับนอนกันอันนี้ก็อย่างน้อยถ้าถือศีลห้าก็ควบคุมความอยากแบบไม่มีของปีเกตได้เกี่ยวกับเรื่องการร่วมหลับนอนกันอแล้วมันก็จะปลอดภัยกว่าที่ไปร่วมหลับนอนกับใครก็ไม่รู้ไม่รู้ไปเอาเชื้อโรคของเขามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เนี่ยตายกันไปก่อนเอ า, เอ า, เอาวัยที่สมควรนี้ก็เยอะแยะช่วงที่โรคเอดระบาดหนักนี่ไปที่วัดพระบาทอะไรน้ำน้พุเนี่ยว่ามีคนตายกันทุกวันตายจากโรคที่ติดเชื้อจากการไปสัมสอนไปเจ็บกลางกันถ้าถือศีลห้าได้ก็จะปลอดภัยจะร่วมหลับนอนกับแต่สามีภรรยาของตนเท่านั้น ศีลห้าก็ป้องกันภัยได้ในระดับหนึ่งถ้าไม่ไปค่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ไปขโมยเงินขโมยทองก็ไม่ต้องไปถูกเข้าจับเข้าคุกเข้าตารางไม่ไปดื่มสุรายาเมาก็ก็ไม่ไปประสบอุบัติเหตุเวลาขับรถขับรถแล้วเมาเดี๋ยวก็ชนการตายก็มีหรือเป็นพิกลพิการกันไปก็มีอันนี้ก็ช่วยศีลห้าก็ช่วย ป้องกันภัยให้กับจิตใจได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่หมดเนี่ยยังมีภัยอย่างอื่นที่ยังป้องกันไม่ได้แต่อยากจะป้องกันมากกว่านี้ก็ต้องถือศีลแปดศีลแปดก็จะทำให้เราลดความอยากต่างๆให้ให้น้อยให้น้อยลงไปได้มากขึ้นถ้าเราไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนได้ต่อไปเราอยู่คนเดียวเราจะไม่เหงาที่เราเหงาเพราะเรายังไม่รู้จักควบคุมความอยาก ปล่อยให้ความอยากอยากจะมีแฟนก็ต้องไปหาแฟนพอไม่มีแฟนก็หาใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามันถ้าหาแล้วมาหาไม่ได้ตอนนั้นก็จะเหงาถ้าต้องนอนคนเดียวอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามาฝึกอยู่คนเดียวเสียตั้งแต่บัดนี้ใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกเหงาแต่เราจะมีวิธีทำให้เราไม่เหงาได้เพราะการถือสินแปดนี้จะต้องทำควบคู่ไปกับการภาวนาด้วย เพราะว่าถ้าเทือศีลแปดไม่ภาวนานี่มันจะทรมานใจเวลาที่เราต้องห้ามความอยากต่างๆแต่ถ้าเรามาหัดภาวนาหัดทําใจให้สงบได้ความเหงาความทรมานใจที่เกิดจากการที่ไม่ได้ทําตามความอยากนี่มันจะหายไปเะฉะนั้นการเทือศีลแปนี้จําเป็นที่จะต้องถือควบคู่ไปกับการภาวนา การควบคุมจิตใจให้สงบทาใจให้สงบถ้าถือศีลแปดเฉยๆนี่มันจะรักษายากมันจะทำให้ทรมานใจนอกจากว่าทาจนชินถ้าทำจนชินมันก็อาจจะไม่ทรมานใจถ้าเราฝึกไปบ่อยๆต่อไปมันชินมันก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ใหม่ๆมันจะทรมานแต่การถือศีลแปดนี่มันก็จะช่วยให้เรามีเวลามาภาวนา มาอบรมจิตใจให้สงบเต็มที่ให้เรียบร้อยอย่างเต็มร้อยเพราะความเรียบร้อยของใจอยู่ที่ความสงบนี่ถ้าใจอยู่นิ่งๆแล้วจะไม่ไปสร้างไม่ไปสร้างโทษให้อะไรให้กับใครไม่ไปสร้างโทษ <pepp ar Mig> ไม่ไปสร้างโทษให้กับตนเองไม่ไปสร้างโทษให้กับผู้อื่นถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจเรานิ่งจริงๆ ถ้าใจเราไม่นิ่งให้เราอยู่เฉยๆเราเดือดร้อนเพรอยู่เฉยๆแล้วใจมันยังดิ้นอยู่ความอยากมันยังดิ้นอยู่ยังอยากทํานูน่น อ, อยากทํานี่อยู่มันก็จะทําให้เราทนอยู่เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปทําตามความอยากแต่ถ้าเรามาฝึกควบคุมจิตใจให้หยุดให้นิ่งได้เราก็จะควบคุมความอยากได้แล้วเราจะอยู่เฉยๆย่างมีความสุขโดยไม่รู้สึก เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับอะไรอยู่เฉยๆมีความสุขอันนี้นดีที่สุดเพราะเราก็มีความสุขแล้วเราก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใครไม่ไปทำอะไรให้ใครเ็าเดือดร้อนที่เราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนกันก็เพราะเราอยู่เฉยๆไม่ได้วันนีอยู่เฉยๆแล้วมันงดเกลดต้องไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้คุยไปแล้วเดี๋ยวก็ไปว่าคนนั้นว่าคนนี้ เดี๋ยวก็เกิดทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนขึ้นมาได้จากการพูดของเราหรือจากเกิดจากการกระทำของเราแต่ถ้าเราควบคุมใจของเราให้อยู่เฉยๆได้ต่อเวลาเราจะไปพูดหรือจะไปทำอะไรเราก็จะคอยดูได้ว่าเราพูดแล้วทำแล้วมันทำให้ใครอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนเราก็หยุดได้ นี่ก็เป็นวิธีที่เรามาฝึกฝนอบรมควบคุมจิตใจของเราให้อยู่อย่างสันติสุขอยู่อย่างสงบไม่ไปสร้างปัญหาให้กับใครไม่ไปสร้างปัญหาให้กับตนเองถ้าเราสามารถทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ใจของเราก็จะอยู่ในความสงบ จะทำอะไรก็ทำในกรอบที่ไม่ไปทำให้ใครเสียหายเดือดร้อนทำแต่มีแต่ทำประโยชน์เช่นทำบุญทำทานนี่ก็ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ได้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครรักษาศีลก็จะทำให้เราเระ ง, งับการกระทำที่จะไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ไปไปพูดปิดประเวณี ไม่ไปโกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายามเมามันก็ทําให้เราไม่ไปทําอะไรให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแล้วถ้าเรารักษาศี่งแปดได้เราก็จะมาระงับการทําอะไรให้เราเสียหายเดือดร้อนเพราะการที่ไม่ถือสิ่งแปนี้ยังทําให้เราไปทําอะไรตามความอยากได้อยู่แล้วการทําตามความอยากถ้าทํามากๆมันก็จะทําให้เรา เราต้องไปหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากก็อาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปได้ไปทำอะไรที่เสียหายแก่ผู้อื่นได้แต่ถ้าเราลรังเลเราถือศีลแปลดได้การกระทาต่างๆที่จะที่เราจะไปทำก็จะน้อยลงแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาคอยฝึกฝนอบรมจิตใจให้นิ่งให้สงบอย่างเต็มที่เราต้องมีเวลา การจะอบรมจิตใจทำจิตให้สงบนี้ต้องมีเวลาคอยควบคุมใจ mm hmm. การจะควบคุมใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ต้องอยู่คนเดียว mm hmm. ไม่ยุ่มเกี่ยวกับใครเพราะเวลายุ่มเกี่ยวกันมันต้องใช้ความคิดต้องคิดแล้วต้องพูดต้องทำอะไรต้องตอบกันไปตอบกันมาก็ต้องใช้ความคิดอยู่คิดแล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา อาจจะทำให้เกิดอารมณ์โลภเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วอาจจะไปพูดไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาต่อไปถ้าอยากจะควบคุมใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดอะไรนี้เราต้องหาเวลามาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วเราก็จะได้ค่อยใช้สติคอยควบคุมใจถ้าเราไม่มีสติควบคุมใจสั่งให้ใจหยุดคิดยังหยุดไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมา วิธีสร้างสติก็มีสี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบวิธีเราก็เลือกใช้ตามกรณีที่เหมาะสมถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรกับใครใจเราเป็นปกติเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธไปก็ได้เพื่อหยุดความคิดถ้าเราทำอะไรโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดให้พุทโธพุทโธไป หรือให้เฝ้าดูงานที่เรากําลังทําอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรกําลังกินข้าวก็ให้อยู่กับการกินข้าวกําลังอาบน้ําก็ใอยู่กับการ Girl, uh, อาบน้ําอย่าอาบน้ําไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปกินข้าวแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ควบคุมใจไม่ควบคุมความคิดเราต้องควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าไม่มีความจําเป็นอย่าต้องคิดไม่ต้องคิดถ้าจําเป็นก็คิดได้แต่คิดเท่าที่จําเป็น พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาคอยควบคุมความคิดอยู่ถ้าเราครวบคุมความคิดได้เวลาเรานั่งเฉยๆจิตก็จะนิ่งสงบได้เต็มที่แต่เราไม่นั่งเฉยๆเรายังทำนู่นทำนี่อยู่หรือเดินไปเดินมาแล้วก็ควบคุมความคิดมันก็มันก็จะไม่นิ่งเต็มที่มันก็จะสงบมันก็จะเบาบางลงความคิดมันจะเบาบางลง ความไม่สงบูรณก็จะน้อยลงความฟุ้งซ่านจะน้อยลงแต่ย่อมมันจะไม่หายไปหมดจะให้มันหายมาให้นิ่งเต็มที่นี้ต้องนั่งเฉยๆที่เรียกว่านั่งสมาธิแล้วต้องนั่งหลับตาแล้วก็เอาสติมาคอยหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดจะมีสติอยู่กับลมหายใจก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมลม ให้ดูเฉยๆดูว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจสั้นหรือหายใจยาวลมละเอียดหรือลมหยาบก็รู้แค่นี้ไปตามความเป็นจริงของลมอย่าไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะค่อยสงบไปทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับไปเดี๋ยวมันก็จะสงบนิ่งเต็มที่พอมันนิ่งแล้ว ก็จะเกิดความสบายอกสบายใจขึ้นมาเบาอกเบาใจขึ้นมาเอจะมีความสุขมากจะทําให้เรารู้ว่าเราสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องไปซื้อของนั่นซื้อของนี้อยากจะมีความสุขต่อไปเรากลับมานั่งสมาธิดีกว่านั่งเฉยๆใจเราก็มีความสุขน เราจะได้ไม่ต้องไปวุ Prin ่นวายกับการหาเงินหาทองได้เงินทองมาแล้วก็ต้องวุ ogi, urgency, ่นวายกับการไปหาซื้อข้าวของกันอีกได้ข้าวของมาก็ต้องวุ่นวายกับหาที่เก็บให้มันที่เก็บ hmm. รักษาอีกมันก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีวันจบนเหมือนงูกินหางอะงูกินหางมันเลื้อยจะไปกินหางมันมันก็เลื้อยไม่ทันนะทีหางมันก็หนีไปอยู่เรื่อย ปัญหาต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปแก้กันวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมากันมันก็ไม่มีวันจบถ้า้มันจบต้องหยุดอยู่เฉยๆทำใจให้สงบมีความสุขกับความสงบแล้วก็จบไม่ต้องไปหาความสุขจากอย่างอื่นถ้าไปหาความสุขจากอย่างอื่นมันก็ไปสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นไ ป, ไปหาความสุขจากการใช้เงิ น, นก็ต้องไปหาเงิน ไปหาเงินก็ต้องไปหางานมันมีเรื่องที่จะต้องให้ทำกันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะทำให้มันน้อยลงเหมือนกับทำมีแต่เรื่องที่ต้องทำเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมาแก้ไอ้เรื่องที่เราต้องการจะแก้มันก็เลยมีเรื่องเพิ่มให้เราแก้ไปเรื่อยๆในวิธีแก้ปัญหาของพวกเราที่ถูกต้องที่สุดก็คือมาทำใจของเราให้นิ่งให้สงบ พอเรานิ่งสงบมีความสุขแล้วเราสบายแล้วไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีแฟนก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจมีความสงบเต็มที่แล้วมันร่างกายมันทิ้งได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายมันไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่ต้องอาศัยร่างกายหาความสุขตอนนี้เรายังต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยู่ถ้าร่างกายเป็นอะไรนี้เราจะเดือดร้อน ไม่สบายทีนึงเดือดร้อนกันจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปทําอะไรก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราไม่เดือดร้อนไม่เที่ยวก็ได้เดือดร้อนไม่สบายก็อยู่กับมันไปมันไม่สบายก็ปล่อยมันไม่สบายไปถ้าใจสงบแล้วจะไม่เดือดร้อนกับอะไรจะมีความสุขตลอดเวลานี่คือการอบรมจิตใจที่ขั้น เต็มที่เต็มร้อยก็คือขั้นนี้ขั้นที่ทำให้จิตใจสงบนิ่งอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกับที่พวกเรากำลังหากันอยู่ทุกวันนี้เราหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวได้มารับแบเดียวความสุขนั้นก็จางหายไปซื้อของมาก็ดีใจไปสักพักหนึ่ง แล้วสักพักหนึ่งของนั้นก็ไม่มีความหมายแล้วต้องไปซื้อของใหม่ไปเที่ยวกันเหมือนกันไปเที่ยวกลับมาก็สนุกพอฮะกลับมาบ้านไม่กี่วันหายไปแล้วต้องไปเที่ยวใหมแ่แล้วมันก็จะทำให้เราต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อความสุขต่างๆแล้วต่อไปเวลาร่างกายไม่สามารถทำตามที่เราต้องการได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบายใจ พรไม่สามารถทําตามความอยากได้แต่ถ้าเรามาทําใจให้สงบได้นี้เราไม่ไม่เดือดร้อนเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องหาทองไม่ต้องหาข้าวของไม่ต้องหาคนนั่นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเรามีความสุขในตัวเราเองเราก็จะอยู่อย่างสงบไม่ไปวุ่นวายกับใครไม่ไปสร้างปัญหาให้กับใคร ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำให้ใครก็ เ, เดือดร้อนมีแต่จะทประโยชน์พอเมื่อเรามีความสุขแล้วถ้าเรามีเวลาเราก็จะมีเวลาว่างเพราะเราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งนู้นสิ่งนี้เราก็มาช่วยคนนั้นคนนี้มาสอนให้คนอื่นเขารู้จักวิธีหาความสุขที่ถูกต้องกันพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้ท่านมีความสุขในตัวท่านแล้วท่านก็ เอาเวลาที่ว่างนี้มาสอนคนอื่นให้หาความสุขที่ถูกต้องกันคือให้มาอบรมจิตใจกันด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราทาทานรักษาศีลภาวนาไปต่อไปใจของเราก็จะสงบมีความสุขในตัวเองแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่โดยที่ไม่มีอะไรได้ไม่มีร่างกายก็อยู่ได้ พใจไม่ใช่ร่างกายใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันตอนนี้ใจของพวกเราต้องมาพึ่งร่างกายต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก็ต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขแต่สิ่งต่างๆพอได้มาแล้วมันก็หายไปความสุขก็หายไปอยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องไปหาใหม่แล้วถ้าห า, หาไม่ได้ก็เสียใจอีกหาได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียว แล้วก็ต้องไปหาใหม่อีกหาไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นต้องหาไปเรื่อยๆจนถึงวันที่หาไม่ได้พอวันหาไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจดังนั้นมาอบรมจิตใจกันดีกว่ามาทำใจของเราให้สงบให้ระงับความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทำใจให้สงบ แล้วจีเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาปุราปะริกปุเรนติสาคารังเอวามีวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจโต สัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจานตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตานสีลิสะนิจจังวุธาปจายโน จตารโหธมาทานติอตาออยุวโ น, นสุขังภาลัง ก็ถือสินเจ็ดก็ได้ข้อข้อนั้นก็ข้อไหนทําไม่ได้ก็อย่าทําไม่ทำครบร้อยก็ได้ดีกว่าไม่ทำอ่ะข้อไหนรักษาได้ก็รักษาไปช่ววันนี้ที่หนูทำคือหนูน้อมว่าหนูแต่งไม่ได้เพื่อความสวยงามก็ได้ถ้าเป็นหน้าที่ทําเป็นเหมือนเครื่องแบบเหมือนเราต้องใส่เครื่องแบบไปทํางานนี้ก็ได้นี่ก็เลยไม่ได้เสริมความงานเพื่อให้เรามีความสุขมีความมั่นใจในตัวเราอะไรอย่างนี้ น้มาสการหลวงพ่อพค่ะค่ะพอดีโยมเอ่อได้ต้นโพที่เพาะต้นกล้ามาจากอินเดียพระท่านพระอาจารย์ท่านเอามาให้นะคะอ่ทีท่านให้เลี้ยงเพาะไว้ที่บ้านก่อนะจะมีอะไรไหมคะไม่มีไม่ก็เพนแค่ต้นไม้มันไม่มีอะไระหรอกก็โยมก็เห็นคนหลายคนก็พูดว่ามันแบบต้องไปไหว้วัดนะอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็บอกว่ายังเล็กอยู่ยังจะต้องเลี้ยงต้นกล้าให้โตก่อนเดี๋ยวค่อยจะไหวัด คือเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่ต้นโทนเราจะปลูกไว้ในวัดหรือในป่าแต่เราไม่ปลูกไว้ที่บ้านเพราะหนึ่งต้นโพมันใหญ่ถ้าเวลามันโตแล้วเดี๋ยวมันบ้านเรามันจะแตกนะพื้นแต่อะไรดินรากมันจะไปหมดคพราะฉะนั้นต้นโพลเขามักจะเอาไปปลูกที่ที่วัดกันแต่ถ้าตอนต้นเราได้มาเราจะเลี้ยงใส่กระถางไว้ก่อนด้วยนะใส่กระถางไว้ก่อน แล้วก็จะเอาไปถวายวัดก็เอาไปถวายได้ค่ ะ, คะ ส, สาธุค่ะหลวงก็มีแค่นี้และะ้วค่ะสาธุค่ะวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เ c e b o ๊ k สูงสุดสามร้อยสิบสองค่ะ y o u ู u หนึ่งร้อยี่สิบสองแล้วก็วิทยุมีสิบสิบเจ็ดคนค่ะล้วฟังบนเขาห้าสิบค่ะเป็นห้าร้อยหนึ่งคนค่ะห้าร้อย่ ถามได้เลยกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้ทางคนทุกข์ให้แด่บิดามารดาของขา้าพเจ้าด้วยที่ได้สูญเสียน้องชายตั้งแต่อายุย5ห้าค่ะอ๋อก็ต้องให้เขามาที่นี่สิงจะชี้ทางเขาเขาไม่มีที่นี่จะไปชี้ให้เขาได้อยู่ร้อยเอ็ดนะคะแต่ว่าหนูก็อเอาเทป เ <LCD S 2> อาซีดีของพระอาจารย์นะคะแล้าวหนังสื อ, หอสให้ให้อ่านให้ฟังค่ะนนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นเครื่องมือชี้ทางอยู่ที่เขาว่าจะอ่านจะฟังหรือเปล่าออขอบพระคุณค่ะการนมัสการการทานอาจารย์คือเวลาที่หนูกราบพระทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกราบพระประธานหรืออะไรมักจะมี มันมืดแล้วก็เป็นฐานแบบเส้นของสมเด็จพุทเสนโตตลอดสแสดงว่าจิตหนูไม่นิ่งหรอคะมันเป็นอุปทานของเราจิตของเรามันชอบคิดถึงสิ่งเหล่า น, นั้นเวลากราบพระมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราก็ให้รู้เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรรู้ว่ามันเป็นนิสัยของเราเป็นธรรมชาติของเราเวลากราบพระแล้วก็จ ะ, ะเห็นอะไรก็ถือว่าเป็นเหมือนนิสัยของเราก็แล้วกัน ไม่มีไม่มีความเสียหายไม่มีความไม่มีประโยชน์ไม่มีโทษอ่าดูเฉยๆไปหลวงพ่อเจ้าคะเราจะถามเรื่องนั่งสมาธิทุกครั้งที่หนูพุโทโธหลวงพ่อมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูพุดโธพุดโธไปแล้วพุดโธมันหายมันหายเพราะเราหยุดหรือเปล่าถ้าหยุดมันก็หายเลย ใช่หนูไม่สามารถตอบได้ตรงขนานั้นว่าหนูพูดโธไปแล้วเอ้าไอ้นฉันไม่ได้พูดโธรหรือนี่ก็ลื้นพูดโธรไงก็เหมือนกิเลสมันมันมันมันขโมยเหมือนแมวแมวขโมยปลาต่อหน้าเราโดยไม่รู้สึกตัวทกิเลสมันขโมยพูดโธเราไปโดยเราไม่รู้สึกตัวสาชุไม่มีสติแล้วตอนนั้นน่ะรู้ะแต่พูดโธหายอย่างงั้นถ้ามันหายแบบมันตกหลุมปุ๊บแล้วนิ่งนี่มันหายอีกแบบอย่างนั้น ออันนั้นไม่มันมันมันมันหยุดเพราะมันถึงถึงจุดหมายปลายทางแล้วพอจิตสงบมันมันก็นิ่งมันก็หยุดพุทโธได้แต่ถ้ามันยังไม่สงบแล้วมันหายไปนี่แสดงว่ากิเลสมันขโมยไปแล้วเหมือนแมวก็แมวขโมยปลาไปแล้วนั่งเฝ้าดูปลาเพิ่งแป๊เดียวมันขาดไปแล้วไม่มีใครก็ถามมือส่งให้เขาทาไมอ้าว ครับนั่นสิารย์เค่ะพูดใกล้ใกล้เลวันนี้หาโอกาสมากราบพระอาจารย์เนื่องจากสัตยาพระอาจารย์มานานแล้วเจ้าค่ะอตั้งแต่สมัยก่อนอยังไม่ได้ถือสิ่งแ ต, แต่ที่ทางเหนือมาก็ได้หนังสือได้มนี้มาเจ้าค่ะอ่าอเป็นหนังสือที่ชี้นําทางของชีวิตได้ดีมาก เปิดมาครั้งใดก็เล่มที่อะไรเจริญธรรมเล่มที่สิบสอเจ้าค่ะเจริญธรรมสิบสองมีอยู่สองเล่มเจ้าค่ะอย่างนี้เล่มที่4ี่บกแล้วเนี่ยเจ้ค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่ว่าเมื่อทุกใจเมื่อไหร่ก็เปิดมาก็จะได้ทางสว่างที่จะนําทางไปสู่ทางปฏิบัติได้เจ้าค่ะอใช่ได้นะเจ้าค่ะจนได้มีโอกาสไปถือสินแปก็ถึงประเทศอินเดียแล้วก็กลับมาทุกวันนี้ก็ปฏิบัติเท่าที่ทําได้แบบเงียบๆนะเจ้าค่ะไม่ทปฏิบัติต้องเงียบๆแม่ใจ ไม่ไปบวชวะกับใครเจ้าค่ะก็มาวันนี้ก็มาทำบุญเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะไม่ไม่มีคำถามอะไรเลยไม่มีเจ้าค่ะฟังจากพระอาจารย์ตอนเดี๋ยวอหนังสือไปเพิ่มได้นั้นเนี่ยซื้อใหม่คำถามทางบ้านคำถามจากคุณอภิพลค่ะได้ยินพระรูปหนึ่งบอกว่าพุทโธเป็นอกุศล พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราควรจะอธิบายอย่างไรคะว่าพุทธโธดีสามารถทําให้เกิดสมาธิได้ อ, อ๋อถ้าคนแบบนี้ก็ไม่ทําไปสอนในเสียเวลาถ้าพุทธโธเป็นของไม่ดีไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ <laughs> พุทโทกับพระพุทธเจ้าชื่อพุทธเจ้าไม่ดีแล้วจะไปจะไปอธิบายยังไงว่าดี <laughs> มันก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดไปพูดว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างนั้นนี้ พูดไปมันก็มองไม่เห็นก็ปล่อยเขาว่าเขาไปก็จบเราอย่าไปเรารู้ผิดรู้ถูกเราก็รู้ของเราไปก็แล้วกันคำถามจากคุณพุทธพร เ, นะเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าทุกขังคือความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจแต่มีความหมายว่าอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินครับ Uh. คำว่าทุกขังในตายรักนี้มันหมายถึงใจของเราที่ไปทุกข์กับของที่เราไปเห็นว่ามันเป็นอัตตาเป็นของเราซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นอนัตตาเราไปเห็นว่ามันเที่ยงซึ่งความจริงมันไม่เที่ยงของต่างๆที่เราไปเห็นไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้น แต่เราชอบไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราพอมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาคาว่าทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ในบุคคลอยู่ในสิ่งของมันทุกข์อยู่ในใจเราแต่ท่านมาพูดรวมกันว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือของต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแต่ใจเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเรามันก็เลยทาให้เราทุกข์เพราะทุกข์เกิดจากความอยาก อริยสัจสี่ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดพอมันไม่อยู่กับเราก็เราก็เลยทุกข์เจนร่างกายอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นความจริงยอมรับความจริงว่าเออมันไม่เที่ยงนะของต่างๆที่เรามาอยู่มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเรามันเราเรายอมให้มัน <ítulo> ไม่เที่ยงยอมให้มันไม่เป็นของเราเช่นร่างกายรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันต้องแ ก, ตงแกตงง่ต้องเจ็บต้องตายก็ยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์นี่แต่เราไม่ยอมเราไม่อยอมเพราะเราอยากไปคิดว่ามันเที่ยงมันยังเป็นของเราอยู่ท่านั้นเองนั้นคําว่าทุกข์ในตายรักษณนี้มันไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นความทุกข์มันอยู่ในใจของคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นเข้าใจไหม พอใจเราไปยุ่งเกี <os> <t ots> ่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันไม่เที่ยงที่มันไม่ใช่เป็นของเราใจของเราก็เกิดไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราใจของเราก็เลยไปทุกข์กับมันเข้าใจแต่ถ้าเราได้ฟังคําสอนพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเราก็อย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเช่นคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหม แต่ถ้าคนที่เรารู้จักนี่เราก็จะอยากขึ้นมาทันทีสามีเราลูกเรานี่อยากจะให้เขาเที่ยงทั้งนั้นใช่ไมอมแล้วเขาไม่เที่ยงก็เที่ยงอ่ะเ้าก็ไม่เที่ยงแล้วเราก็เลยไปทุกข์กับเขาแต่คนที่เราไม่รู้จักเราไม่ไปอยากให้เขาเที่ยงเราก็เลยไม่ทุกข์กับเขาแค่ okay. ก็อยู่แค่ตรงนั้นเองนั่นคำว่าทุกข์ขังนี้มันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในบุคคลหรืออยู่ในสิ่งของต่างๆ มันอยู่ในใจของเราที่ไปยุ่งกับเขาไปเกี่ยวข้องกับเขางั้นเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับใครขอให้เราจําไว้ให้ดีว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาไม่ใช่เป็นของเรานะแค่นี้แหละแล้วเราจะไม่ทุกข์แต่เราลืมพอได้อะไรมาแล้วอยากจะให้เที่ยงทันทีใช่ไหมพอได้เงินก็อยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากจะให้มันหมดใช่ไหมอพอได้แฟนก็อยากจะให้เป็นแฟนเป็นของเราไปตลอดใช่ไหมไม่อยากให้เขาไปเป็นแฟนของคนอื่น พอเขาไม่เป็นแฟนของเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาใชแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าอะต่อไปเขาอาจจะไม่เป็นแฟนของเราก็ได้แล้วก็อไม่ไปเถยว่าเขาเป็นแฟนของเราตลอดเป็นแฟนเท่าที่เขาจะเป็นเพราะวันไหนเขาไม่อยากจะเป็นก็ถือว่าไม่เป็นแฟนของเราแล้วเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเหมือนทุกวันที่เราใส่บาดนี่เราสอนเด็กขเขมนอีกคนมันเด็กอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดใบไม่มีแฟนนะเราถามว่า อเตรียมตัว อ, อกหักไว้นะเว้ยเตรียมหายาแก้ อ, อกหักมนะัเนี่อเดี๋ยวเรากับแฟนนั้นจะต้องทะเลากันนะเดี๋ยวจะต้องเลิกกันนะไอสอนมันเรื่อยไอห้องเนี่ยไอห้องที่มันขายกาแฟนีมีแฟนนู่นเนี่ยนะก็คอยเตือนแย่มันอยู่ทุกวันให้มันได้คิดบ้างว่าออไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเอ เความรักเข้าตาใชมันตาบอดเนี่ยควมรักทําให้คนตาบอดมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราแล้วพอมันไม่เที่ยงขึ้นมามันไม่ใช่เป็นของเราขึ้นมาก็เสียใจทั้งท่านที่มันเป็นมันไม่เที่ยงอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่ต้นแต่เราไปไปถือว่าเป็นของเราไปเถอว่ามันเที่ยงขึ้นมาเอง เราต้องมาแก้แต่พระพุทเจ้ามันคอยสอนให้เราเตือนใจอยู่เรื่อยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราจะได้ไม่หลงเนี่ยแล<ม>้วเราเราจะได้ไม่ทุกข์เวลามันไม่เที่ยงเวลามันไม่ได้เป็นของเราอต่อไปคําถามจาคุณจงแจงนั่งสมาธิแล้วดูความเจ็บไปแต่ไม่เปลี่ยนท่าจิตบอกว่ามันบังคับไม่ได้รอจนมันหายและใจไม่อยากเปลี่ยนท่า แล้วค่อยออกจากสมาธิทำทุกวันระยะหลังจิตไม่ค่อยสนใจกับเวทนานี้รู้สึกเวทนาน้อยลงปฏิบัติถูกต้องไหมคะถ้ามันจิตเราไม่วุ่นวายไปกับมันก็ถูกต้องถ้าจิตเราอยู่กับความเจ็บได้ก็ถือว่าใช้ได้คปล่อยให้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเหมือนเสียงจักจั่นถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มาทาให้เราเดือดร้อนแต่ถ้าเราไปอยากให้มันหยุดนี่เราจะวุ่นวายขึ้นมาทันที เหมือนกันเวลานั่งเวลามันเจ็บมันก็เหมือนกับเสียงจักกระจันดังๆเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บถ้าอยากหายแล้วใจเราจะวุ่นขึ้นมาใจเราจะทอรมานแต่ถ้าเราทําใจเฉยๆอยู่กับมันไปห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็ใจของเราก็จะนิ่งไม่เดือดร้อนอย่างที่นั่งนี้เพื่อให้เราฝึกจิตให้นิ่งกับสภาพที่เราไม่นิ่งสภาพที่ไม่นิ่งคืออะไรเวลาเจ็บนี้ไม่นิ่ง เวลาสูญเสียอะไรที่เรารักนี้ไม่นิ่งเราก็ต้องมาหัดทําใจให้นิ่งต่อไปเวลาสูญเสียอะไรเราก็จะนิ่งได้เวลาเจออะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะนิ่งได้คำถามจากคุณนาริสราฟังพระอาจารย์เรื่องการบวชหรือให้ลองบวชจึงตั้งใจรา ง, งานไปบวชปงผมเจ็วันช่วงสงกรานต์กับเรียนถามว่าต่างกันหรือไม่คะเพราะบางคนบอกว่าปงผมหรือไม่ถือหรือไปถือสินแปดก็เท่ากันคะ่ะ มันก็แล้วแต่และเพราะการปลงผมนี่มันก็เป็นการฆ่ากิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะผมนี่กิเลสรักมากที่สุดใช่ไหมเดยวนี้ <c oughs> <c oughs> นถ้า <c oughs> ถ้าถ้าปลงได้ก็สแสดงว่าฆ่ากิเลสได้เรืแต่ว่าฆ่าได้นานกี่วันนั่นเองฆ่าได้เจ็ดวันเดี๋ยวกิเลสมันก็กลับมาขอคืนเดี๋ยวผมมันก็ยาวกลับมาใหม่เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยมันก็สแสดงว่าเราก็ <c oughs> มีกำลังที่จะฆ่ามันได้ ยังจะว่าไม่ต่างมันได้ก็ต่างสิถ้ามันไม่ต่างก็ไม่ต้องโกนผมกันสิเห็นเราก็ไม่ต้องมาโกนผมเลยล้วก็เห <c oughs> ็มันก็ต่างในการโกนผมเนี่มันก็มีส่วนที่จะเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เราปล่อยวางร่างกายเพราะเราจะรักร่างกายเราอยากจะให้ร่างกายเราสวยเรางามอยากใช่ให้คนเขาชื่นชมยินดีกับร่างกายของเราแต่ร่างกายเรามันไม่เที่ยงอ่ะต่อไปมันก็จะไม่สวยอะใช่ไหม ต่อไปหนังมันก็ต้องเหี่ยวผมมันก็ต้องหงอกนี่ดีไม่ดีผมก็ร่วงเห็นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วถ้ายังอยากให้มันสวยอยู่ก็จะทําให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเราบอกว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันไม่สวยหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเป็นอะไรไปก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปกนหัวเถอะเลยอย่างนี้ก็ <c oughs> เราว่าได้นะกนหัวนี่เราว่าได้ได้ประโยชน์นะ ในทางธรมคือได้ค่ากิเลสได้ค่าความรักความสวยความงามได้คําถามจะคุณทรงวุฒิกราบถามพระอาจารย์ครับการที่ผมชอบในความสวยงามของพระแก้วมรกตแล้วเวลาได้เข้าไปกราบไหว้ก็จะมีความสุขมากแต่ที่มากกว่านั้นมผมเห็นชาวต่างชาติต่างศาสนามีความเคารพต่อพระแก้วมรกตเป็นอย่างมากผมก็มีความสุขอย่างมากทําให้ผมมีรูปพระติดอยู่ในใจครับ กับขอคาแนะนาครับก็ดีถ้าเรามีศรัทธามีความรักพระพระพุทธรูปก็ดีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้ให้เรามีความสุขใจได้ในระดับหนึ่งก็ใช้ได้ <c oughs> คำถามจากคุณต่อไซเบอร์ที่บ้านของผมเขานิยมทำบุญเพื่อหวังรวยแบบนี้ได้บุญไหมครับการทำบุญนี้ไม่ได้ฟังทำเพื่อให้รวยทำเพื่อให้จน เพราะเวลาทำบุญมันก็ต้องเสียเงินใช่ไหมถ้าทำมากๆมันก็จนนะมันก็หมดนั้นการทำบุญนี้ในปัจจุบันนี้ทำเพื่อให้จนเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อจะได้ไม่เอาเงินไปใช้รับใช้กิเลสตัณหาความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราอันนี้คือเจตนาของการทำบุญแต่ตลัมันก็แปลกคือถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ไอ้เงินที่เราทำบุญนี้มันกลับมาหาเราใหม่ มันจะถ้าจะรวยมันจะรวยชาติหน้าไม่ใช่รวยชาตินี้อย่างพระเวชสันดรใช่ไหมเวลาท่านเป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างเต็มที่เลยพอตายไปท่านก็ไปเป็ น, เ, ปนเศรษฐีบุญเป็นเทวดาเทวดานี่ก็เป็นเศรษฐีเศรษฐีบุญแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารวยกเก่าๆอีกอันนี้ก็ทาบุญแล้วรวยก็จริงแต่ไม่ใช่รวยชาตินี้ ชาตินี้จนพระเวสสันดรจรจนไหมทำซะหมดเนื้อหมดตัวเลยแต่พอชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มารวยมาเป็นเจ้าชายสิีพัฒถะคำถามจากคุณนันทพรดิฉันตั้งใจว่าจะคองโสดไม่แต่งงานถ้า ร, ารักษากายวาจาใจให้ได้แบบนี้และปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการรักษาสินห้าและสินแปไปด้วยกันจะสามารถปิดอบายภูมิได้ไหมเจ้าคะ ถ้าเราเล้างเซลล์ศีลห้าได้ก็เปลียนได้แล้วแหละไม่ต้องถึงศีลแปดศีลแปดนี่ก็จะทําให้เราไปพรมโลกถ้าพรถึงศีลแปดได้ฝึกจิตทําใจให้สงบได้ก็ไปเป็นพรมโลกจะศีลเจ็ดแก็ได้พรมพรมโลกขั้นต่ํำ <c oughs> ไม่ได้ขั้นสูงออมีหลายขั้นเนี่ยพรมโลกมีหลายขั้นข้อที่สอง ถือว่าสามารถปฏิบัติทำเพื่อให้ได้ผลเร็วเพื่อถึงความพร้อมที่จะบรรลุโสดาบันได้หรือไม่เจ้าคะก็อยู่ว่าเราปฏิบัติมากน้อยวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราให้กับการปฏิบัติกี่ชั่วโมงต้องดูตรงนั้นถ้าเป็นพระนี่เขาให้ทั้งทั้ ง, งตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพระที่ปฏิบัติกันจริงๆนี่ท่านปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นแล้ะลืมตาท่านก็เริ่มโชคกิเลสละใช้พุโทโธหยุดกิเลสล้ะหยุดความคิดละ แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไตายรักอยู่เรื่อยๆจนถึงเวลาหลับอย่างนี้มันก็จะบรรลุได้เร็วพระพุทธเจ้ารับประกันเลยถ้าปฏิบัติอย่างนี้เจ็ดวันก็ได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนอถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีจะบรรลุธรรมได้อย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจเจริญศีน ส, สมาธิปัญญาตลอดเวลา คำถามจากคุณพีโกถ้าผมตายส่งร่างกายให้สภากาชาติไม่ต้องจัดงานสวดอภิธรรมทำเหมือนกับไม่มีอะไรแค่คนคนหนึ่งหายไปอย่างนี้ถือว่าทำนอกกรอบเกินไปไหมครับก็แล้วแต่ที่บ้านเราเขาถือกรอบอยังไงเราก็ก็ต้องดูกรอบที่บ้านเราธรรเนียมที่บ้านเราเขาทํากันอย่างไรถ้าเราอยากจะทํานอกกรอบก็ได้มันเป็นเรื่องของเรามันเป็นชีวิตของเรา แต่ก็ต้องบอกให้เขารู้ก่อนก็ เ, เวลาตายไปถ้าไม่ได้บอกเขาเขาก็จะอาจจะทําตามกรอบของเขาแต่ถ้าเราก็บอกไว้ก่อนลูกหน้าว่าถ้าตายไปได้บริจา克ร่างกายนี้ให้กับสภากาชาดแล้วนะเขาจะมารับศพไปก็ต้องให้เขาไปอันนี้ถ้าไม่บอกเขาเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาก็อาจจะเอาไปเผ า, าไปบําเพ็ญบุญกุศล ต, ต่อหรือบางทีทางสภากาชาดบางทีเขาก็ให้เราบําเพ็ญกุศลก่อนแล้วค่อยเอาศพไป คือส่วนอวัยวะที่เขาต้องการเขาอาจจะเอาไปก่อนนะถ้าเราบริจาคอวัยวะด้วยพวกตับพวกไตพวกหัวใจอะไรนี้แต่ก็จะเอาร่างกายทิ้งไว้ให้เราถ้าเป็นธรรมเนียมของบ้านเราที่จะทําบุญบําเพ็ญกุศลเขาก็จะให้เราทําอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรึกษากับคนที่ะจะดูแลศพของเราว่าเราต้องการให้เขาทาอย่างไรแล้วก็บอกเขาไป ในหนึ่งปีผมมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมโดยเจริญสติและสมาธิประมาณเจวันที่วัดโดยถือสินแปดและสวมชุดขาวขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าแตกต่างกับการปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติและสมาธิที่บ้านเช่นช่วงก่อนนอนอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรครับมันก็อยู่ปริมาณของการกระทำทำมากทำน้อยทำที่บ้านอาจจะทำได้น้อยเพราะต้องไปทำงานทำการ หรือว่าถ้าทำถ้าปริมาณเท่ากันก็ได้ได้ได้ประโยชน์เท่ากันต้องดูเวลาที่ให้กับการกระทําถ้าไปอยู่วัดกระทํา8ดชั่วโมงมาอยู่บ้านก็ทํา8ดชั่วโมงก็อาจจะได้ประโยชน์เท่ากันก็ได้หรือไม่เท่ากันก็ได้ก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอีกถ้าที่ไหนสงบกว่าที่นั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าที่บ้านสงบกว่าวัดก็จะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าที่วัดสงบกว่าบ้านก็ที่วัดที่วัดก็จะได้ประโยชน์มากกว่า มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่เราจะต้องเอามาบวกลบคูณหารถึงจะรู้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันคะคำถามจากคุณนาริศาการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ท่านล่วงลับไปแล้วนั้นจะทําอย่างไรได้บ้างคะการบวชท่านจะได้รับหรือไม่คะไม่ได้เราต้องทําบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญไปทาบุญทําทาน <c oughs> เพราะว่าการ การสวดนี้ยังไม่ได้ได้ได้ผลบุญเต็มที่เป็นการสร้างผลบุญแต่ยังไม่สำเร็จเพราะจิตยังไม่รวมจิตยังไม่สงบนะคำถามจากคุณธนวันถ้าเรารักษาศีลครบแล้วจะเริ่มฝึกสมาธิจะเริ่มอย่างไรดีครับกรรมฐาน4ี่สิกองสวดมนต์จับลมหายใจแบบไหนจะเหมาะกับเราก็ถ้าเรานั่งก็ให้ดูลมหายใจเขา้าเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเขา้า ถ้าดูลมไม่ได้ก็ให้พุโทโธพุธโทโธดูถ้าพุโทโธไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดบทอิติปิโสไปสวดนา น, านสวดจนกระทั่งใจนิ่งแล้วค่อยดูว่าดูลมต่อได้หรือไม่ถ้าดูลมได้ก็ดูไปถ้าเวลาไม่ได้นั่งก็ให้มีสติอยู่กับการขึ้นไหวของร่างกายคอยเฝ้าดูว่าร่างกายกาลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกาย คืออย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสติเพื่อที่เวลามานั่งจะได้ทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณโชคในชาติหน้าถ้าเราต้องไปเกิดในอบายภูมิเราจเป็นเราจ ำ, เ, เ, ราจำเราจะจำได้ไหมครับว่าชาติที่เป็นมนุษย์เราทำอะไรไปบ้างถึงได้มาตกอบายภูมิก็แล้วแต่ว่าเรามีความจำดีไม่ดี คนที่เราลึกชาติได้เขาก็มีความจำดีเขาก็ระลึกได้ว่าชาติก่อนไปเป็นอะไรมาอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านมีความจำดีท่านก็สามารถย้อนดูอดีตชาติต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีความจำดีเราก็จะจำไม่ได้แม้แต่เมื่อวานนี้ไปทำอะไรมามัางยังจำไม่ค่อยได้แต่ว่าแต่ชาติชาติที่แล้วเมื่อวานนี้ไปทำอะไรตั้งแต่เช้าถึงเย็นนี่จำได้ไหม ถ้าจําไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงระลึกชาติเลยแล้วการเป็นเดรัจฉานี่มันไม่มีเวลาจะมาระลึกชาติดเพราะมันมีภายรอบด้านมันจะต้องคอยหวาดระวังกวาดกลัวคอยหากินหาอยู่ของมันอยู่มันจะไม่มีเวลามานั่งทําใจให้สงบเพอะจะระลึกชาติได้นี้ใจต้องนิ่งด้วยใจต้องนิ่งแล้วถึงจะย้อนอดีตไปได้คำถามจากคุณแซกกี่ค่ะ อยากทราบว่าในหมู่บ้านผมมีแม่ชีโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวอาศัยอยู่และเขาออกไปบินธบัต ท, ทุกเชา้าอย่างนี้ถือว่าสมควรไหมครับกเ็เขาก็ทำไม่ผิดกฎหมายนี่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับใครคนที่เขามีศรัทธาเ้าอยากจะใส่ให้เขาก็ใส่ก็ไม่เห็นว่าเสียหายตรงไหนหมดแล้วค่ะก็เหมือนขอทานบรรดาศักดิ์ขอทานแบบนีศีลก็ นอกจากว่าเขาทําเป็นในรูปแบบของหลอกลวงนี้ก็อาจจะเป็นการหลอกลวงเช่นเวลากลับมาบ้านเขาก็มาไม่มารักษาศีลไม่ไม่ปฏิบัติธรรมานั่งเล่นไพ่กินเหล้ากันอย่างเนี้ยอ้อย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการไปหลอกลวงชาวบ้านหากินจากชาวบ้านด้วยการอปลอมตัวว่าตัวเองเป็นนักบวชแต่ถ้าเป็นนักบวชจริงคือเป็นแม่ชีจริงกลับมาบ้านก็ยังกลับมาภาวนารักษาศีลเอ วายพระส่วนมนศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่ก็ไม่ก็ถือว่าเป็นนักบวชอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีวัดอยู่ก็เลยอาศัยบ้านเป็นวัดไปนั่นเองอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียหายตรงไห น, นถ้าคนที่เขาใส่เขาเขายินดีที่จะใส่คําถามจากคุณนัทการที่ช่วยเหลือครอบครัวทั้งแม่และพี่สาวหลายครั้งจนบ่อยมากทําให้แฟนอยู่ด้วยกันทะเลาะมีปัญหา ถ้าหยุดช่วยระยะหนึ่งจะเป็นคนอากกตันยูหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เหตุผลว่าจำเป็นจะต้องช่วยอย่างอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคือการช่วยนี่มันช่วยแบบให้เขาเป็นประโยชน์กับเขาก็ได้เป็นโทษกับเขาก็ได้โือถ้าช่วยแบบให้เขาไม่ไม่ไม่คิดช่วยตัวเองเลยอย่างนี้ก็เป็นโทษกับเขาเพราะเขาจะพึ่งตัวเขาเองไม่ได้ ้ถ้าเกิดวันดีคืนดีเราเป็นอะไรไปเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เขาก็จะเดือดร้อนเนี่ยเราควรจะช่วยเขาในลักษณะช่วยให้เขาช่วยตัวเขาเองได้เช่นในช่วงที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปทำงานไม่ได้ไม่มีไรายได้ตอนนั้นเราก็ช่วยเขาไปแต่พอเขาหายเราก็ต้องบอกว่าหยุดช่วยแล้วนะตอนนี้ต้องไปหาเงินไปทาเอาเองแล้วนะอันอย่างนี้ก็ช่วยอย่างนี้เราก็มีการหยุดช่วยด้วยเหตุด้วยผล แต่ช่วยอีกแบบหนึ่งก็ช่วยแบบแบบทดแทนบุญคุณอันนี้ก็อย่างพ่อแม่เนี่ยเราอยากจะทดแทนบุญคุณเราก็ช่วยไปตลอดได้ท่านจะต้องการความช่วยเหลือเราหรือไม่แต่เราอยากจะช่วยท่านเพราะท่านมีบุญคุณกับเราอันนี้ก็ช่วยอีกแบบหนึ่งมันก็ต้องดูแต่ละแบบว่าแต่ละบุคคลเหมาะสมกับการช่วยเหลืออย่างไรกับพ่อแม่นนี้ช่วยได้ตลอดช่วยเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ทดแทนบุญคุณที่ท่านมีกับเราได้หมด การทาบุญกับพ่อแม่นี่ถือว่าได้ทาบุญกับพระอาหาันต์ะนั้นควรจะยินดีทาไม่ควรจะหยุดแต่ถ้าช่วยคนอื่นนี่ก็ต้องดูเหตุผลว่าเขาอยู่มีเหตุผลที่จะต้องช่วยเขาหรือไม่ถ้าเพราะเขาขี้เกียจไม่อยากไปทำงานไม่อยากหาเงินเราเลี้ยงเขาได้อย่างนี้ก็ช่วยแบบนี้ก็ไม่ดีเพราะเดี๋ยวจะทำให้เขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้ แต่ถ้าเขาเดือดร้อนเขาเจ็บไข้ได้ป่ว ย, อยไม่มีรายได้เราก็ต้องช่วยเขาในช่วงที่เขาเขาตกงานางนี้ก็ช่วยได้งั้นต้องดูเหตุผลดูแต่กรณีที่มันไม่เหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูมีอาชีพรับเหมารับจ้างและต้องเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการบางหน่วยงานบางทีหนูไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ หนูจำเป็นต้องร้องเรียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแบบนี้จะเป็นบาปหรือเป็นการสร้างเวณกับเขาไหมคะบาปคงไม่บาปเลยเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนตามตามตามกฎหมายได้ถ้ามีได้ไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็ไปไปขอความเป็นธรรมได้เพียงแต่ว่าเวณ น, นี้อาจจะมีก็ได้กับคนที่เราไปร้องเรียนเขาอาจจะไม่พอใจเราเขาก็จะโกรธเราเกลียดเราเ กลายเป็นเวรเป็นกรรมกันก็ได้เราก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าทําแล้วได้คุ้มเสียหรือเปล่าถ้าได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าไปทําดีกว่าก็ไปทํากับคนอื่นไปหาอาชีพอื่นทําหรือไปทําธุรกิจกับคนอื่นที่ไม่ต้องมีเวรมีกรรมกันหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอยังเหลืออีกประมาณสี่ห้านาทีมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไออ ในการกระทาอะไรบางอย่างนี่ถึงแม้ว่ามันถูกต้องแต่ทําแล้วเกิดทาให้มีเวรมีกรรมกันก็ก็อย่าทำดีกว่าเพราะบางทีเวรกรรมมันข้ามภพข้ามชาติอย่างพระพุทธเจ้ากับเทวทัตนี่ท่านก็มีเวรมีกรรมกันมาตั้งแต่หลายชาติก่อนเท่าที่ได้ยินก็เริ่มต้นจากว่าท่านกับกับเทวทัตเป็นคนไปซื้อรับซื้อของเก่า แล้วมียายคนหนึ่งมีถาดเงินที่มีราคาแพงมากแต่เป็นของเก่า ด, ดูแล้วมันเหลือยังไม่มีราคา mm hmm. เทวทัตก็เป็นหลอกว่าไม่กิดตั้งค์หรอกแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์บอกโอ้ยของนี่แพงนะมีราคามากจะให้ราคาสูงพออย่นี้เทวทัตก็โกรธล่ละหลังตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมกันจองเวรจองกรรมกันมาตลอดน พอเราไปทําอะไรขัดผลประโยชน์กับใครขึ้นมานี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันแนะแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของโลกเกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้วมันก็บางทีก็เราไม่มีเจตนาจะไปมีเวรมีกรรมกับเขาเราทําความดีความถูกต้องแต่คนที่ไม่ดีเขาก็ไม่พอใจเขาก็จะโกรธจะเกลดเราได้ก็จะจองเวรจองกรรมเราได้อันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้เราคคิดว่า อย่ามาเกิดดีกว่าเกิดมาแล้วทำดียังไงมันเดียวมันก็ต้องมีมีเวมีกรรมมีเคราะมีอะไรอยู่นั่นเนี่ยคหนูคิดว่าเช้าเนี้ยค่ะนี่บางทีเลยค่ะคิดแล้วรู้สึกท้อเลยว่าไม่อยากเกิดเลยออยากเกิดดีกว่าถ้าไม่เกิดแล้วมันก็จะจบนะถ้าเกิดแล้วถึงแม้ทำความดียังไงเดี๋ยวก็เป็นเรื่องไปราวขึ้นมาได้คิดว่าโลกนี้ช่างน่ากลัวอ่าเนี่ยแหละนี่คือกองทุกข์เลยโลกของความทุกข์เนี่ย มีไห ม, ค, มคําถามค่ะคำถามจากคุณคมสรรกระผมนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเกิดอาการเหมือนตัวใหญ่หน้าใหญ่มือแขนขาใหญ่เกิดจากอาการอะไรครับแล้วพอภาวนาไปเรื่อยๆก็หายไปครับอาการของจิตเนี่ยจิตมันจะแสงอะไรต่างๆให้เราเห็นแปลกๆอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับการภาวนาไปถ้าอยู่ดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไป อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆบางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้บางทีก็อยากจะคืนน้ำลายมันมีอะไรต่างๆมาหลอกมาล่อใจให้เราเสียสมาธิเนี่เราอย่าไปสนใจนะให้อยู่กับการบริกรรมไปอยู่กับการภาวนาไปแล้วเดี๋ยวจิตสงบแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปถ้าเราไปมัวถูกไปหลงไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่มีวันสงบนั่งไม่ได้ นัเดี๋ยวทนไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นมาเห็นเราอยู่กับงานที่เราทำอยู่คือถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอะไรจะมาเกิดช่างมาฉุดก็อย่าไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันอย่าไปให้มันโยกก็ปล่อยมันโยกยถ้าโยกสแสดงว่ามัมีสติถ้าเอ็นนี่ไม่เป็นไร ถ้าเอ็นไปซ้ายเอ็นไปขวาก็ช่างมันอย่าไปสนใจอย่าไปคอยปรับมันเอ็นซ้ายเดี๋ยวปรับขวาหรือเป็นปรับขวาเอ็นขวาปรับนี้อย่าไปปรับถ้าเวลาเริ่มนั่งแล้วอย่าไปยุ่งกับร่างกายมันวอรให้มันล้มลงไปก่อนแล้วค่อยมาปรับก็แล้วกัน <c oughs> แต่ถ้ามันล้มก็แสดงว่านั่งแบบไม่มีสติใช่ไหมถ้ามีสติแล้วนั่งนั้นนี่คุยกัไม่เห็นล้มไม่เห็นเอ็นไปไหนเวลาเรามีสตินี่มันจะร่างกายมันจะอยู่เป็นอ แล้วยังไงล่ะเราวมนไปโยกถ้าโยกแสดงว่าเราเราไม่มีสติควบคุมใจพอไม่มีควบคุมใจใจก็ไปทำให้ร่างกายมันโยกเอาใจนยถ้ามันโยกก็ต้องหยุดมันไม่ต้องลืมก็ได้เนี่ยก็กลับมาพุโทโธกลับมาดูลมมันก็หายโยก ตอนนั้นเราแสดงสติเราเอ่อบาอ่อนลงก็กลับมาบริกรรมคือเพราะมันจะเกิดตอนไม่บริกรรมมันก็ดูลมดูอะไรไปอี้อย่างเขากลับมาบริกรรมก็มันเหมือนจะเคลิ้มมันจะเคลิ้มต่างมันจะเคลมเคลิ้มมันก็สั่นได้โยกได้นการภาวนานี่ต้องมีสติคอยกํากับใจแล้วจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา แต่ถ้าไม่มีสตินั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตมันแสดงอะไรแปลกๆใข้าเราดูเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นบ้าได้พออะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะไปว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเองเหมาเองเ อ, อไปวิพากวิจารณเองว่า เ, เป็นโสดาแล้วเนี่ว่าเป็นนิพพานแล้วหนี่ยเป็นพรมแล้วเนี่ยอะไรมันจะคิดไปต่างๆนานาอย่า น, น, นอย่าไปให้มันอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆเถอให้รู้ว่ามันเป็นของปลอมทั้งนั้น ของจริงมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือความว่างความสงบความนิ่งที่จะเกิดถ้าเรามีสติคอยกับกับใจเรานั่งสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นอะไรมาปรากฏอย่าไปสนใจเป็นของปลอมเท่านั้นเป็นของมาหลอกล่อใจของเราไม่ให้ไม่ให้เข้าสู่ความสงบอ่งนั้นให้เราอยู่กับการภาวนาถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าพูดโธก็พูดโทไปเราจะปลอดภยัยจะไม่เป็นบ้า แต่ถ้าไม่มีพุโทโธไม่มีลมนี่เดี๋ยวไปเห็นหนูน่นเห็นนี่แล้วจิตปรุงแต่งหลอกตัวเองว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาอาจารคะในในการนั่งแต่ละช่วงเนี้ค่ะทั้งบริกรรมกำหนดรู้พิจารณาสลับกันเห็นได้ค่ะหรื อ, อเวลานั่งต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียวเวลานั่งต้องการให้มันดิงอย่างเดียวก็ให้อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมไป อ, อย่าไปสลับ มาสลับตอนที่ออกมาแล้วเวลาออกมาจากการนั่งแล้วที่จะมาสลับก็ได้จะมาพิจารณาอะไรก็ได้แต่เวลานั่งนี้ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอย่าให้มันอยู่กับหลายเรื่องถ้าหลายเรื่องมันก็จะไม่นิ่ง เ, าเอาแล้วเนยวันนี้ก็พอดีหมดเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ